เวลาเราใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติเนี่ยตามไม่ปลุงแต่งนะบางทีธรรมชาติก็กลายเป็นความรักธรรมชาติไปอยู่กับโลกก็รักโลกอยู่กับคนก็รักคนอยู่กับสัตว์ก็รักสัตว์นะัคือมันไม่เป็นธรรมชาตนะิมันเหมือนเป็นธรรมชาตินะั่นแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่เราพยายามเรียนรู้ว่าอือทําไงจึงจะ อยู่แบบไม่ให้จิตมันเอ็นไปแาบบ่นั้นเอียงมาทางนี้ น, ะนั่นคือต้องเข้าใจโลกนะเข้าใจโลกเข้าใจเราเข้ามาโลกนี่คื อ, อเป็นอัจฉาธรรมเป็นธรรมข้างในกับพระหิทธาธรรมธรรมข้างนอกโลกข้างในด้วยโลกข้างนอกด้วย คือทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างข้างในแต่ว่าโลกที่เห็นง่ายเข้าใจง่ายก็คือเป็นความรู้สึกเป็นโลกข้างในโลกข้างนอกนี่เห็นด้วยตาอันนี้เห็นยากกว่าจะเกิดปัญญาเนี่ยเพราะว่าส่วนมากจิตเราไปสําคัญมบ่นหมามันมีความเปลี่ยนแปลงเพราะมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่จิตเราก็ไหลออกไปเท่านั้น แต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงทางข้างในโลกข้างในอันนี้ตาบอดก็รู้จักนะ่ะหูหนวกก็พอจะรู้จักคือเป็นการมองภายในมองสติสัมปชัญญะมองสภาวะของความรู้สึกอันนี้เพียงแต่ละประคองให้มันอยู่ในภาวะที่เ อ, อิบมองให้มันเป็นธรรมชาติอืม เหมือนเรามองธรรมชาติข้างนอกสติมีระดับหนึ่งก็จะมองธรรมชาติข้างนอกเป็นเป็นธรรมชาตินะแต่ยังทำไงจริงจะมองธรรมชาติข้างในเป็นธรรมชาติได้อันนี้มันมองอยากมันเหมือนง่ายข้างในแต่มันก็มองอยากคือพยายามที่จะเห็นว่าขันธ์หาหรือจิตใจของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติ คือรูปก็คือรูปธรรมชาติเวทนากับเวทนาธรรมชาติสัญญาสัญญาธรรมชาติสังขารวิญญาณอ่คือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองทํำยังไงจึงเห็นธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะเกิดชาติแปลว่าเกิดธรรมชาติคือการเห็นเกิดของธรรมดาชาติธรรมโมนะพยาธิธรรมโมมรณะธรรมโมคือเห็นธรรมชาติก็คือเห็น เห็นธรรมดาของสภาวะที่มันมีการเกิดและมันมีการดับมีการเกิดและมีการดับเราก็ไม่จ่ายใส่ใจกับความอยากนะอย่าไปใส่ใจกับความอยากความอยากเกิดหรือความติดในความเกิดความเกิดของรูปความเกิดของเวทนาความเกิดของสัญญาของสังขารวนนี้ถ้าจิตเราไม่ไปยึดติดในความเกิดแบบนั้นความทุกข์ มันก็ไม่ปรากฏนี่เรายึดข้างในยึดภาวะที่มันเกิดขึ้นมายึดธรรมชาติอันนี้นะแต่เขาว่าให้เห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติกับการยึดธรรมชาติมันไม่เหมือนกันบางทีอยู่ข้างในเป็นมันเกิดเยอะๆในความคิดมันมากมากมันเหมือนกับมีสิ่งเราเยอะๆจริงๆสิ่งเราจะเยอะขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ธรรมชาติ เรามองว่ามันเป็นธรรมชาตนะิถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันก็ไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยนะแต่ถ้าเราไม่เห็นว่ามันคือธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นบ้านเราเรียกว่าธรรมดานะเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติเราก็บอกว่าเออไอ้ข้างในนี่มันมีสิ่งเรานะแต่ว่า เราจะถูกมันปั่นเข้าไปเห็นธรรมชาติเกิดและธรรมชาติดับอเขาถึงบอกให้เห็นเหตุธรรมะที่เป็นเกิดขึ้นและเสื่อมไปบางทีก็ยังไม่เห็นมันดับนะแต่ขอหเห็นความเสื่อมไปของตัวอสังขารเนี่ยเห็นเสื่อมไปของรูปอิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสะทั้งกำมัความสลายของรูปเป็นอย่างนี้ ครูปมันเกิดอย่างนี้มันตั้งมันอยู่นี้มันสลายไปแบบนี้รเราดูเห็นความเสื่อมสมุทะยะวยะสมุแปลว่าเกิดสมุไทยเกิดวยะแปลว่าเสื่อมเห็นความเกิดและความเสื่อมเห็นความเกิดและความเสื่อมเห็นความเกิดแล้วความเสือเเเส่อมถ้าไม่เห็นเราก็จะเห็นกลายเป็นความเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันมีความภาวะความเป็นตัวตนมันก็เข้าไปอยู่ในความเป็นตัวตนจิตเราก็ไหลเข้าไปทันทีนะะน นันแล้วก็เอากลับคืนมายากเพราะมันไหลเข้าไปแล้วมันหลุดเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันก็เพลินไปซะทีนี้ภาวะ น, นี้มันเป็นเรื่องที่อย่างรู้ยากแต่ความจริงก็คือชีวิตประจำวันเรา น, นั่นแหละเราจะทำให้ธรรมะของเราเองมีความลึกซึ้งก็คือการดูการเห็นภาวะพูกนี้แหละว่ามันมีมันมีภาวะแบบนี้มีภาวะของการเกิดมีภาวะของการดับไป เป็นธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะะเพียงแต่ว่าเราใช้ชีวิตโดยธรรมดาใช้ชีวิตตามธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตเป็นแบบหนึง่งแต่ความปรุงแต่งความโลภโกรธหลงเนี่ยจะมาปรุงแต่งให้จิตมันไม่ใช่ธรรมชาติ มันจะมาปรุงแต่งให้จิตนีมีภาวะที่เปลี่ยนไปไปจะเป็นสุขแล้เดี๋ยวเป็นทุกข์แล้วแล้วแต่มันจะหมุนไปหมุนไปตามวันคนทั่วไปหมุนไปตามวันแต่จิตใจเราจะหมุนไปตามอารมณ์เกิดดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรยๆสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างเสียใจอยากจิตมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอยากอยู่เดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากหนีคือจิตมันก็เพลินไปทั้งโลกก็จะเล่น สนุกสนานมีตังก็ไปหาท่องทองเที่ยวที่โน่นที่นี่ไปเรื่อยๆนะะทั้งโลกเนี่ยเรามีเงินมีทองก็ไปหาเที่ยวไปเพลิดเพลินไปแต่ทางธรรมก็จะเป็นเอา้าก็ไปหาท่องเที่ยวเหมือนไปหาปฏิบัติธรรมบ้งอะไรบ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างบางตัวนี้สักพักเดี๋ยวมันเบือ่อเบื่อก็อกไปที่โน่นโนเบื่อไปที่นี่อะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่เห็นภาวะของธรรมชาติของขันจริงๆะ ธรรมชาติของขันจรเราก็จะดูมันไม่ออกว่ามันเป็นยังไงคือมันไม่สามารถที่สัมผัสได้หรือเห็นได้โดยแท้จริงมันเกิดดับยังไงดูไม่เป็นดูไม่เห็นแล้วก็เพลินไปกับมันแล้วเราก็ไปสําคัญมันหมายว่าตรงนั้นสุขตรงนี้ทุกตรงนั้นปัญหาเยอะตรงนี้ปัญหาน้อยใจไม่นจะขึ้นมาแบบนั้นเลยถามว่ามันถูกไหมมันมีส่วนถูก ส่วนถูกตรงไหนตรงที่ทําให้เราสงบลงนั่นแหละแต่มันจะไม่มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัจฉริยะไมหิตธาธรรมไม่ใช่อัจฉริยธรรมแล้วก็กลับมาย้อนมองใหม่เอา้ามันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยคือดูบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบางทีถ้าไปตั้งหน้าตั้งตาดูก็ไม่เห็นนะนะตั้งหน้าตั้งตาดูก็ไม่รู้ดูบ้างไม่ดูบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างดูข้างนอกบ้างข้างในบ้าง ดูใกล้บ้างดูไกลบ้างเวลาท่านบอกว่านะรูปที่เกิดไม่ว่าจะอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม อ, ามอาภิสังิปิตวาย่นกล่าวรวมกันอยังวุจติรู ป, ปขันโทรเรียกว่ารูปขันไม่ว่าใกล้ว่าไกลก็ตามเห็นภาะวะเป็นแบบนั้นอยู่เฉยๆเลยรูปขันก็เป็นอะไรก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปคือธรรมชาติมันจะมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นแบบนั้น ทีนี้ธรรมชาติของรูปรูปง่วงละ่ะรูปง่วงรูปเงารูปเบือ่อรูปอะไรจ้ะเราต้องรู้เท่าทันะธรรมชาติของรูปคิดนะอืมธรรมชาติของจิตที่มันคิดเราก็ให้เห็นมันถ้ามันไม่เห็นมันเราก็ดูมันไม่ออกพอดูมไม่ออกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเนี่ยมันชอบแบบนั้นจริงๆมันไม่ชอบแบบนี้จริงๆก็เข้าไปเป็นกับมันพอไปเป็นกับมันแล้วก็เริ่มมองไปที่ข้างนอกละทีนี้ นันข้างนอกก็พอประมาณนะจะให้มันได้เยอะมันไม่เยอะข้างนอกมันไม่เปลี่ยนไปตามนั้นก็คือมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันเป็นเหมือนนั้นนะ่ะอยู่กับคนเนี้ยก็เป็นเพลินเพลินอย่างนี้อยู่กับคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใจเราไม่ได้อยู่กับใครเลยมันเป็นธรรมชาติเห็นมันเกิดขึ้นสมุทยะวิยะหรือความเสื่อมไป เห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นมันเสื่อมไปในธรรมความทุกข์มันก็น้อยหรือว่ามันไม่ทุกข์เลยเพราะว่ามันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นทุกข์เราไม่ได้เป็นทุกข์เราไม่ได้อยู่ในโลกของความเปลี่ยนแปลงอันนั้นแต่เป็นผู้ดูโลกเปลี่ยนแปลงเหมือนเราวิ่งไปดูแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยอไปดูไฟไหม้บ้านของคนโน้นคนนี้ตึกรามบ้านช่วงเขาเป็นยังไงเราก็เห็นนะ เห็นไฟไม่บ้านเห็นแผ่นดินไหวเห็นชัดเจนไหมชัดเจนแล้วเป็นยังไงก็ก็เห็นนะ่ะเห็นคือเห็นนะ่ะแล้วก็สนุกกับการเห็นนั่นเองก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดในใจเราแผ่นดินไหวเกิดกับครอบกลัวเรากับตัวเราเราจะดูรู้สึกมันไม่สนุกแต่ทุกอย่างเนี่ยเราเก็บเข้ามาปรุงแต่งเองเอาคนนั้นตายคนนี้อยู่อย่างเงี้ย อข่าวเอาเดี๋ยวคนนั้นเป็นอะไนั่นเดี๋ยวคนนี้นี่เนี่ยคุณอุตสารั t เนี่ยเป็นเอ็นโทรมาบอกว่าเป็นมะเร็งไปห้าเซ็ตละมะเร็งในลำไส้ยัามาจัดดอกไม้ที่วัดเรามาทุกปีุปีมาปีนี้พอจัดกลับไปเอาเป็นแล้วนหนัมผ่าตัดหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้ น, นชีวิตเนี่ยมันสั้นๆเองแต่จิตเรามันมาเรียกร้องนะเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงคือ ทุกมันเกิดเนี่ยทันมันไหมทุกมันเกิดเนี่ยดับทันมันไหมทุกครั้งทุกครั้งคือให้เราเห็นอย่างนั้นนันทีอะแต่ถ้าเรามองเห็นสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันจะเรียกร้องหาความอยากเป็นอยากอยู่อยากหนีอยากได้อยากอะไรประมาณนั้นจิตจะเป็นอย่างนั้นเน่ะแต่ถ้าเราเห็นดีขึ้นอา้าวมองดูดิประสบการณ์ปรากฏการเกิดขึ้นกับชีวิตเราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในธรรมนั่นดี เนความเกิดความเสื่อมความเกิดความเสื่อมเลือยยังต่อนั้นก็คือชีวิตเราก็เป็นประโยชน์กับคนกับสังคมกับตัวเราเองกับอะไรยังไได้ไม่ยากนะความเข้มแข็งความไม่เข้มแข็งเนี่ยจะไปวัดเอาอนาคตอย่าไปวัดเอาอดีตนะเอาที่ปัจจุบันที่ประสบพบเห็นกับสุขกับทุกข์กับอารมณ์ที่เกิดดับนี่แหละเกิดตรงไหนดับตรงนั้นเกิดตรงไหนดับตรงนั้นถ้ามันเกิดได้แล้วมันดับได้ อ่าเหมือนกับเราชนะทุกเหมือนเราเดินไปในกองซากศพของคนเนี่ยเราเป็นเท่าเอกนะเป็นพระเอกเป็นนักต่อสู้เป็นวีร บ, บุรุษคือเดินไปท่ามกลางความตายของสังขาร น, นองกองตายระนีระนาะนะเกลื่อนไปหมดนะั่นนะคือมันเกิดมาที่ไรเราก็ฆ่ามันตายที่นั้นนะ ง่วงมากกมันเบื่อมาเราเดินไปเดินแบบชิวเลยสบายโลงโปร่งไปแต่มองทางซ้ายทางขวามีแต่สักซากศกเกลื่อนกลาดไปหมดนะซากสมแห่งความง่วงความเงาความเบื่อความหนายความคิดความปลุงแต่งอไรไนต่างสังขารทั้งหลายหรือที่เขาบอกว่าเห็นจุตูปปาตยานจุตุปปายานก็คือเห็นภาวะของ ความตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายของสังขารทั้งหลายนอนตายเกลื่อนกราดนั่นเองนะเกิดจากผลงานของการฝึกสติของเราเองสามารถเดินข้ามไปเหยียบไปบนซากศพนะมันตายหมดนะแต่เราไม่ได้ตายกับมันและไม่ได้ตื่นเต้นกับมันมนะันเหมือนเราเข้าไปในป่าช้ารู้สึกว่าป่าช้าก็คือดินแดนแห่งชัยชนะนะเหมือนเราชนะทุกคน ทุกคนลวนตายแต่ว่าปัญหามันคือเราดันไปกลัวซากศพนี่อีกเป็นปัญหาแล้วแต่ที่เราเห็นว่าเราชนะได้ฆ่าตายทุกคนแล้วมันมากลัวซากศพพวกนี้อีกส่วนว่าจะเป็นอย่างนั้น่ะแล้วบางทีติดป่าช้าด้วยซ้าไปไม่อยากออกากจากป่าช้าเนี่ยก็ทำไมจะเดินออกจากป่าช้าได้แบบสบายนะเดินออกจากป่าช้าเดินไปแบบสบายเดินบนความสงบสงัดอา้าวไม่ถูกแล้ว ปล่อยได้แล้ววางได้แล้วป่าช้าก็เดินเข้าไปได้เดินออกมาก็ได้อย่างเงี้ยนั้นเดินเข้าไปในความคิดก็ได้เดินเข้าไปในความปรุงแต่งก็ได้เดินกลับออกมาก็ได้เง้าเดินเข้าไปในความง่วงก็เห็นได้ความง่วงเนี่ยออกจากความง่วงก็ได้อเนี่ยความฟุ้งซ่านก็ได้ความกุนิดอึดัดขัดเครื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาเอาเดินเข้าไปเฉยๆ Lindsey. ความกุนิดเมื่อกี้มีนะแต่เดินเข้าไปในความหุหนิดแล้วเดินออกมา นะด้วยไม่งุนงนหงิดออกมาเลยเดินเข้าไปเดินออกมาเดินเข้าไปเดินออกมาคล้ายๆว่ามียานยานเดินเข้าเดินออกแบบง่ายๆสุขทุกข์เราเอาตรงนั้นแหละนะตรงที่เรามีสติสัมปชัญญะสามารถเดินถ้าความรู้สึกความนึกคิดหรือความเห็นเนี่ยถ้าจิตเราเราไปใส่ความเห็นเอาไว้เห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าดีเห็นว่าชั่วเนี่ย มันจะเข้าไปอยู่ในความเห็นนั่นนาทีนะเขาเรียกว่าทิฏฐิคืออยากให้ทิฏฐิเกิดอย่าให้ความเห็นคนนี้เกิดอย่าให้เห็นว่าคนนี้ชั่วนะเนี่ยอย่าเห็นว่าคนนี้ไม่ดีนะอย่าให้มันเห็นจิตเราเนี่ยอย่ามันปรุงแต่งไปถ้ามันเห็นว่าคนนี้ชั่วคนนี้ดีคนนี้โง่คนนี้ฉลาดดันดีจิตมันจะเอาดัน ด, ดีนะเอาเอาเอาสร้างปัญหาให้กูอีกแล้วเนี่ยเนี่ยคือมันสร้างพบสร้างชาติให้จิตเราเข้าไปสําคัญมั่นหมาย คนนี้ดีคนนั่นใหม่ดีคนนี้สวยคนนี้งามคนนี้ถูกคนนี้ผิดอะไรมันจะเอาดันดีอ่ะนะท่านเราไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ถ้าเป็นอยู่ในวัดวาคือครูบาอาจารย์มีหน้าที่ต้องบอกต้องสอนว่าคนนี้มันไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออะไเพื่อให้จะให้ออกจากทิฏฐิอันนั้นออกจากทิฏฐิอันนั้นจากสิ่งที่เขามีเขาเป็นเพื่อไปอยู่ในภาวะแห่งความว่างความสงบให้ได้อันนั้นเป็นหน้าที่ แต่ถ้าคนไหนถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์อะไรประมาณเนี่ยเวลาไปทำนี่ถือว่ายอดนะนะถ้าเขายอมรับได้แต่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็แย่ yeah. มันมียอดกับแย่มีสองงันคือมันภาวะพวกนี้มันต้องเกิดจากศรัทธานะแต่ถ้ามันไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกแก้ปัญหาไม่ได้อย่างที่คนไหนก็ตามที่มีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธธรรมพระสงค์ต่อ ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยเวลาปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ทุกข์กับมันนะนไม่ทุกข์กับมันเหมือนทุกอย่างเหมือนเรารักลูกอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็ได้อภัยได้หรือรักพ่อรักแม่เนี่ยพ่อแม่ดูด่าว่ากล่ายัางไงก็ได้อภัยได้อภัยได้ท่านก็เป็นพ่อเป็นแม่เนาะอะไรประมาณนั้นพราะเราจะหนีไปที่อื่นก็ไม่นะเพราะเราต้องกินข้าวอยู่กับท่านอะไรประมาณนี้ยรับมรดกท่านนแต่เด็นี้เด็กมันไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นนะ ไม่ได้มีความเชื่อนั้นพวกนักพรตนักบวชฤศีชีพัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์พอที่จะปลูกฝังศรัทธาให้มีความเชื่อแบบนั้นนั้นเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็เลยเอา้าใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาขบคิดพิจนานะถูกผิดอะไรประมาณนี้ขึ้นมาทตดีเอาไปมาเป็นตัวการสั่งสมตัวปฏิฆะเป็นการสั่งสมตัวปฏิฆะตัวหงุนงิด ปฏิฆานุัยเริ่มนอนเนื่องในใจกลายเป็นคนเริ่มมีเหตุมีผลนะตัวเหตุผลก็กลายเป็นทิฏฐิมานะเป็นราคะเป็นตัณหาขึ้นมาดังนั้นทาไงรู้จะอยู่ด้วยใจว่างๆใจด้วยสงบใจิตใจด้วยเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของรูปรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาสมุทยัยวยะเห็นเวทนาเห็นความเกิดและความเสื่อมไป ของวทนานะเห็นความเกิดและความเสื่อมไปของสัญญาเห็นความเกิดความเสื่อมไปของสังขารเห็นความเกิดความเสื่อมไปของวิญญาณนะรวมรียกว่าความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันทั้งหลายนะมันเกิดแล้วมันก็เสื่อมไปมันเกิดแล้วมันก็เสื่อมไปดูความเกิดและความเสื่อมนั้นความทุกข์ก็ไม่มีมันไม่มีนะความทุกข์ไม่มี พอไม่รู้จะาทุกข์มาจากไหนแล้วเราเห็นทุกข์ละแต่ว่าเห็นทุกข์ก็อย่างที่บอกว่าก็คือธรรมชาติเราเห็นทุกข์คือเห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติมันมีเกิดมีเสื่อมไปมีเกิดมีเสื่อมไปนี่ตอกจากรู้ got, รเราไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเห็นแต่ความเสื่อมไปสลายไปหายหไปเนี่ยจิตมันก็สบายใจนะแทนที่เราจะมาปรุงแต่งมาต่อสู้กับ ความคิดทิฏฐิ een, like food. Food. มานะต่อสู้กับคนโน้นคนนี้ต่อสู้กับไม่อะเราสู้กับความมูนีเดนคือเวลาเราทําอะไรทุ่มุเทเข้าไปเลยนะเราปลอมตัวเข้าไปเลยอย่าปลอมตัวมานะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยกินข้าวก็กินข้าวอย่างเงี้ยนะกินก็คือกินเนาะเนี่ยสมมุตินะตอนนี้มันจะมาสมมุติอร่อยให้เรานะก็กินข้าวก็กินเล่นๆนะระวังเด้อมันจะสวมสมมติให้นะเนี่ยจะสวมสมมติความอร่อยมันติสมุตินะ พอติดสมมติความอร่อยเข้ามาแล้วมันจะปลอมตัวนั้นหนั ง, น ง, นงเราแก้มเราจะใหญ่ขึ้นนะนะมันจะสวมเข้ามานะขาเราจะใหญ่อกใหญ่ตัวจะให ญ, ใหญ่เอาเริ่มไปเริ่มน้ําหนักขึ้นมาแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาทตดีที่เนี้ยก็จะลําบากนะอีหน่อยเวลาฟังอะไรสักพักมันจะสวมความสนุกให้มันก็เพลินไปอ่ะกับหูนี่ กับตาอย่างนี้รยวังนะมันสวมความสนุกให้นะสวมความสวยความงามความเพลิดเพลินให้นะเราก็เข้าไปอยู่ในดินแดนนั้นดีอ่ะมันสร้างภพสร้างชาติใหม่ๆเรื่อยๆอันนี้เราเดินเข้าไปเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปเฉยๆแล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบั น, นทีนี้ที่อยากให้เห็นเนอยอยากให้เห็นอะไรเห็นให้ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเห็นศีลปรากฏเกิดขึ้นเริ่ม ตั้งมั่นขึ้นเริ่มไม่หวั่นไหวขึ้นสมาธิก็เริ่มแน่วแน่ขึ้นปัญญาก็เริ่มเห็นมันเกิดปันดับนี้เร็วขึ้นปัญญานี่เห็นเกิดแล้วดับเร็วขึ้นนะเดี๋ยวเห็นความเกิดและความเสื่อมไปมันไวขึ้นนะเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างนะเราพูดนะเวลาสวดนะก็เห็นความเกิดและความเสื่อมไปไปไวเกิดขึ้นและเสื่อมไปเร็วๆเกิดขึ้นและเสื่อมไปคือสติต้องเร็วนะต้องไวเร็วๆเร็ว ๆ, ๆ, ๆ, ๆ ตัวสําคัญมั่นหมายในสภาวะอาการเนี่ยอย่าให้มันมีมากให้มันเกิดให้มันดับไปไปวๆแล้วมันจะสงบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นะทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะเอ้ามันสําคัญมั่นหมายแล้วก็เดินจุกรมในตอนเย็นเนาะตอนเย็นตอนเช้าเดินจุกรมเห็นมันนะแต่ถ้ามันขี้เกียจมันจะเป็นนาฬีนั่นมันจะมองเห็นเรื่องอื่นดีกว่าอันนี้เถิดีอ่ะเห็นอันนั้นดีกว่าอันนี้เห็นอันนี้ดีกว่าอันนั้นะ เสื้อผ้าถ้าเรามองดูเฉยๆใส่เฉยๆก็ไม่ชุดใหม่น่าจะดีกว่าชุดนี้นะเนื้อผ้านั้นน่าจะดีขึ้นมาทันดีอ่ะเอ้าหัวกูนี่ถ้ากูมีทรงผมวันนี้กูน่าจะดีนะเนี่ยทรงนั้นน่าจะดีตนนี้มันก็หาทรงเข้ามาโอ้ยสมทรงเทนอ่ะนะว่าสมทรงเนื้อมึงเนี่ยคือมันทรงคือเฉยๆนี่ไม่ได้มีอะไรนะแล้วมันสมใส่ทรงนั่นใส่ทรงนี่มันทรงคือทรงรูปนะ มันทรงสภาพเอาไว้เฉยๆแต่ควา ม, มจริงมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรแต่ทำไงจริงจะเห็นในความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรมันก็ต้องสำคัญมั่นหมายว่าเราก็คือเรานะไม่ใช่ใครนะเราก็คือเราเราก็คือตัวเรานะตัวเรานะคือสภาวะจิตธรรมชาติเฉยๆนะเราเนี่ยไม่ได้มีสุขไม่ได้มีทุกข์อะไรนั้นเราคือเรานะเมื่อไหร่ที่เรา ไม่ได้เป็นเรานะเราไม่ได้เป็นเราไม่ใช่ไม่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในอาการมันก็จะเพลินไปเพลินไปกับทุกข์เพลินไปกับสุขเพลินไปกับความสนุกซะเพราะอะไรไอ้ที่ยังมีสุขมีทุกข์ยังมีอยากมีไม่อยากที่เนี่ยก็คือจิตเรานั่นแหละถ้าเราเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นจัดขึ้นปรากฏการณ์ทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายถามว่าใครทําให้ มันเป ah. ็นธรรมชาติไม่มีใครทําให้ธรรมชาติอันนี้ไม่มีใครสร้างนะถูกผิดไม่มีใครสร้างดีชั่วไม่มีใครสร้างไม่มีใครแต่คือมันมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็จะดับเองเกิดขึ้นเองมันเสื่อมเองเกิดขึ้นเองดับเองเกิดขึ้เองเสื่อมเองเป็นธรรมชาตินะทุกอย่างคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แบบนั้นธรรมชาติมันเกิดมันดับอยู่แบบนั้น มันเป็นแบบนั้นของมันอย่างนั้นไงนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเรียว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นเต็มร้อยแต่ของเรานี่มันควรมันไม่คิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันอยากทําอันนั้นเดี๋ยวมันอยากเป็นอันนี้เดี๋ยวอยากได้อันโน้นเดี๋ยวอยากอยู่เดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากอะไรประมาณเนี่ยคือเราโมวมาเพลินเล่นกับสังขารของเราเองมาเพลินอยู่กับสังขารเนี่ยเราไม่ได้หาธรรมะได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะสภาว่าไหนก็ตามร้อนแล้วก็ดูมันออกนะระวังนะระวังนะอากาศร้อนเนี่ยมันจะหลอกให้กูเข้าไปในอารมณ์ได้เนี่ย่าไปติดได้เนี่ยหนาวก็จะหลอกเราเข้าไปอีกละเมื่อเอามันจะหลอกเข้าไปอีกละเนี่ยนะสบายก็หลอกเข้าไปอีกละฉันถ้าเห็นนุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธ ร, มนธรมดาสภาพทรงไว้ธรรมะเนี่ย แปลว่าสภาพที่ส่งไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้นหนาวมันก็ส่งสภาพความหนาวไว้ร้อนส่งสภาพความร้อนไว้คิดเป็นสภาพส่งสภาพความปรุงแต่งเอาไว้เนะบื่อส่งสภาพของความเบื่อเอาไว้คือเห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมันเฉยๆถ้าเรามองเห็นว่าเป็นธรรมชาติแบบเนี้มันก็เกิดก็ดับโดยธรรมชาติมันทุกข์มันก็ไม่มีนะเจ้าทุกข์มาจากไหนเพราะมันเป็นส่งเฉยๆ ส, ส่งส่งสภาพ สภาพมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นถ้ามันไม่มีล่ะเอาเราก็สร้างสตินะสร้างสติเป็นยกทรงยกทรงเอาไว้นะทรงมันให้มันทรงอยู่อย่างงั้นนะถ้นะามันไม่มียกทรงไปลองมันมันก็หลุดไปเรื่อยหละอันนี้ก็ต้องลองมันไว้เอาสร้างสติไว้เป็นตัวยกทรงกําหนดกดเอาไว้ประคองไว้มันก็สบายจิตเนี่ยนะสภาพที่ทรงไว้ สภาพไว้ซึ่งอะไรซึ่งความเห็นทรงไว้ซึ่งความรู้ทรงไว้ซึ่งความเข้าใจนะถ้าสติไม่มีสมาธิไม่มีนะสภาพของธรรมชาติคือความเกิดและความเสื่อมเนี่ยมันจะไม่อยู่แบบนั้นนะเราจะไม่เห็นความเกิดความเสื่อมส่วนมากเราเข้าไปเป็นตัวมันเลยทีเดียวพวกมันก็จับเราเลยที่นี่กับเรากักขังอะ มึงหลงเข้ามานี้แล้วกูจะขังมึงนะอะไรก็ตามมันหลงเข้ามาเนีเหมือนหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะนะมันเปิดเอาไว้มลแงพึ่งมแงพู่อะไรบินเข้าไปปุ๊บมันปิดฝางับกึบแดกทันทีนะ้ยเน่าตายในนั้นเมื่อเราก็เหมือนกันนะชีวิตเราอับเฉานะถ้าเราวิ่งเข้าไปในสภาพที่มันสร้างพบสร้างชาติเข้ามาเนี้ยมันก็ปิดฝาปุ๊บก็ประทีเราก็เมาหาทางออกไม่ได้ จนทางนึ่งแล้วมันหมดอายุนะสัตว์บางประเภทคืออายุนานบางประเภทก็ อ, อายุน้อยนะมีพบน้อยพบใหญ่พบน้อยพบใหญ่ก็คือกินมากกินน้อยนะนะมันก็กล่อมเราไปเรื่อย ๆ, ๆคนแก่ก็จะมีพบชาติแบบคนแก่คนหนุ่มก็มีพบชาติแบบคนหนุ่มนะคนสาวก็มีพบชาติแบบคนสาวมันก็จะไหลเข้าไปตามสภาพมันดังนั้นทํำไงไม่ใช่ที่เห็นว่าเอา้าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์ธาตุตามธรรมชาติเดอ้อ คือมันเกิดขึ้นธรรมชาติคือธรรมะมันเกิดนะมันเกิดธรรมะพวกอย่างคือเกิดเป็นธรรมะธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วความเสื่อมไปเกิดขึ้นเสื่อมไปเกิดขึ้นเสื่อมไปเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเป็นแบบเนี้นั่นเองถ้าเราเห็นต่างจากนี้ปุ๊บโอ้มันไม่เป็นธรรมะแล้วไม่เป็นธรรมชาติแล้วไม่เป็นธรรมดาละเป็นทุกเน่ยทุกอย่างเป็นโอ้ยกูไม่อยากอยู่เว้ยเฮ้ยกูไม่อยากไปเว้ยกูเบื่อว่ะเนี่ย มันเบื่อเพราะเลยมันเข้าไปกินเยอะแล้วกินเยอะมันก็เบื่อมันเข้าไปอยู่ในนั้นอย่าเข้าไปมากเห็นธรรมชาติเฉยๆนี่ความทุกข์ก็เป็นธรรมชาตินะความทุกข์ก็เป็นธรรมชาติดูมันเป็นแบบธรรมชาติเอ้ยกูเป็นธรรมชาติทุกข์หรืเด้อวันนี้เด้อเนี่ยแต่ก็เห็นมีสติประคองรู้ดูอยู่ว่าอยธรรมชาติของความทุกข์เป็นนี้นะความทุกข์ล่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเสื่อมไปเกิดขึ้นเสื่อมไป ถ้าใจมันเสื่อมไปไๆล่ะเอาชาญเผาชาญเผาก็คือเอาตัวรู้ที่ไหละมาเผามันชาปน ก, กิจศพมึงสําวันเนี่ยกูจะเผามึงซะเนี่ยแล้วก็ชาปน ก, กิจเนาะเขาอบอกไงอา้าวมีชาญชาญแผดเผาแผงมาเป็นคําว่าชาปน ก, กิจศพนะแล้วก็เผามันให้ทุกวันทุกวันทุกวันนั้นจิตใจมันก็มีความผ่องใสมีความเยือกเย็นมีความสงบทุกวันทุกวันเลาทุกมาเผาตัวเอง หรือจะเอาความว่างเป็นที่อยู่ของใจเจนนเน่งนะก็สังเกตดูนะเอาโมทนาสเพัตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย ปยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาลเบียดเบียนซึ่งกันแน่กันเลยอา น, นีคาหุ้นตูอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขี้อัตานังปริหารันตูวรักษาตนให้พ้นจากทุภัยทั้งสิน้นเถิด